ที่มนุษย์เราดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าตลอดระยะเวลานับแสนหรือล้านปีขว า, าได้เนี่ยตั้งแต่มีมนุษย์ในโลกจนมาถึงปัจจุบันนี้ภัยอันตรายต่างๆนี่มันมี อยู่รอบตัวนะมากมายเหลือเกินยังก็มีสัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์ไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือฟันฝ่นอันตรายได้โดยเพราะอันตรายที่มาจาก ไม่ใช่แค่ธรรมชาตินะแต่รวมถึงจากชีวิตอื่นนะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็มีกฎอยู่อย่างหนึ่งนะเหมือนว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใดที่มีอำนาจมีความสามารถมากกว่าก็สามารถจะเอาสัตว์อื่นนะมาเป็นอาหาร จนอาจจะสูญพันไปเลยก็ได้มนุษย์เราเนี่ยก็มีภัยคุกคามเยอะแต่ก็น่าแปลกนะที่มนุษย์เหล่านี้สามารถจะอยู่รอดแล้วก็จเจริญเผ่าพันธ์ได้ทั้งทั้งที่เราก็ไม่มีกำลังวังชาหรือความสามารถพิเศษ แต่ที่เราอยู่รอดแล้วก็จเจริญเผาผัานมาได้นี้เพราะอะไรนะเพราะว่าสมองของเรามันทำให้มนุษย์เรารู้จักหาเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งอาวุธจะเริ่มจากหินกระเทาะหรือว่าล้าที่ทำด้วยไม้ แล้วก็ตอนหลังก็พัฒนากันเป็นอาวุธเป็นมีดเป็นลูกธ น, นูเียอันนี้มันไม่เพียงแต่ป้องกันอันตรายนะจากสัตว์ ร, ร้ายนะแต่ว่ายังสามารถจะไปไล่ล่าสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ที่มีพลักกำลังเช่นเสือสิงโตช้างได้และสมองคนเราก็ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรู้จัก วางแผนรู้จักรวมกลุ่มจัดตั้งสามารถที่จะไล่ล่าสัตว์ใหญ่ได้ตานทั้งที่อาวุธก็มีไม่มากแต่พอรวมกลุ่มกันมีการวางแผนกันก็สามารถจะจับสัตว์ใหญ่มาเป็นอาหารได้ ตอนหลังก็เอาสัใหญ่เราเน้่นมาเป็นปัจจัยในด้านปัจจัยสี่น่านสมองคนเราเนี่นเป็นปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้คนเราอยู่รอดได้แล้วก็จเจริญ ม, มาจนถึงทุกวันนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราอยู่รอดได้เนี่ยก็เป็นคุณสมบัติพิเศษหนึ่งของสมองคนเราเนะคือสมองคนเราเนี่ยมันมันาิพัฒนามาจนมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือ มันจะไวมันจะวต่ออันตรายหรือสิ่งที่เป็นพิรุธไม่น่าไ ว, ว้วางใจนะเช่นอยู่ในป่าเนี่ยเกิดมีเสียงกรบกรับขึ้นมานี่สมองมันจะสั่งเลยนะให้ระวัดระวังเพราะว่าอาจจะมีสัตว์ร้ายซุ่มอยู่เช่นเสือ หรือว่าอาจจะมีงูพิษงูร้ายนะอยู่ใกล้ๆทั้นที่บางทีเสียงน่า จ, จะเป็นเสียงลมพัดพัดกิ่งไม้หรือจะเป็นเสียงจากสัตว์เล็กๆเช่นกระรอกแต่สมองนี่มันมันจะไม่ไว้วางใจนะมันจะมันจะระแวงเอาไว้ก่อนนะว่าอาจจะเป็นอันตราย ซึ่มก็ทำให้คนเราเนี่ยนะคอยระวังเนื้อระวังตัวัา ง, งที่อาจจะไม่มีอะไรจริงสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีทั้งคนเราหรือบรรพบุรุษของเราคงมีประเภทที่ว่าพอเจอเสียงกรอบแกรบแบบนี้แล้วก็ไม่สนใจนะนึกว่าไม่มีอะไร แต่มันประกบอาจจะเป็นสัตว์ร้ายก็ได้แล้วก็สามารถที่จะขยุ้มนะเอาชีวิตนะคนที่ไม่มีความระมัดระวังต่อสิ่งผิดปกติเนี่ยก็จะก็จะตายแล้วก็ไม่นะไม่แพร่รูปแพร่หลาน แต่คนที่มีควา ม, มระแวดระวังเนี่ยจะอยู่รอดได้นานกว่าก็สามารถแพรลูกแพร่หลานออกลูกออกหลานจนกระทั่งเนี่ยต้องเรียกแต่ว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยนะก็เป็นทายาตนะของบรรพบุรุษที่มีความระแวดระวัง อันนี้มันก็มีผลนะต่อการวิวัฒนาการของสมองนี่ที่ทำให้ไหวต่ออันตรายซึ่งถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยมันก็คุมนะเพราะว่าถ้าเราแวงว่าเสียงกรบกรบเนี่ยมันเป็นเสียงเสือสัตว์ลายที่มาซุ่มแล้วพอระแบิดระวัง ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็รอดตัวไปในทางตรงข้ามมีเสียงกรอบกรับแล้วไม่ระแวดระวังเกิดมาเป็นสัตว์ร้ายขึ้นมาก็ถึงตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระแวดระวังนี่ดีกว่านะถึงแม้ว่าอาจจะระวังมากไปแต่ก็ ไม่เป็นอันตรายเท่ากับการที่ประมาทไม่ระวาดระวังแล้วเกิดมันเป็นสัตว์ร้ายจริงจริงนี่ก็ตายได้ก็เรียกว่าธรรมชาตินี่เขาให้รางวัลกับกับคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความระบัดระวังในสมองของเราเนี่ยมันก็เลยวิวัฒนาาพัฒนามาในลักษณะที่ จะระวังภัยสูงมากนะนี่พอมันมาถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งที่เราออกจากป่ามานานแล้วแล้วก็ภัยที่เกิดจากสัตว์ร้ายมันก็มีน้อยลงนะภัยที่จะคุกคามเอาชีวิตนี้มันก็น้อยลงมากๆเลยแต่มนุษย์เราก็ยัง มีสมองนะที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีลักษณะของการระแวงภัยสูงไวต่อสิ่งผิดปกติมันก็มีผลต่ อ, อพฤติกรรมของคนเรานะทุกวันนี้ก็คือว่าเราจ ะ, ะเป็นพวกที่มีความระแวดระวังสิ่งที่ผิดปกติ พอเจออะไรผิดปกตินี่ก็จะระแวงเอาไว้ก่อนไม่ใช่แค่ระวังอยเนะีแ่เรื่องก็รระแวงเลยนะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นโทษกับเราดั้งที่มันจะไม่ใช่ เ, เรื่องที่ถึงกับความเป็นความตายอย่างเช่นเห็นคนเขาไม่ยิ้มให้เราเวลาทักเนี่ย หรือเราทักแล้วก็ไม่ทักตอบนี่อย่างนี้ผิดปกติลวแล้วเราก็เริ่มจะเราแวงและ ว, ว่าเขาไม่ชอบหน้าเราไหมก็ไปฟังเรื่องนินทาจากคนอื่นมาหรือเปล่าเกี่ยวกับเราเนี่ยอันนี้ก็เกิดความระแวงแล้วรวมทั้งมันทำให้เราเนี่ยให้น้ำหนักนะ ความทุกข์หรือเหตุการณ์ล บ, บเหตุการณ์ร้ายมากกว่าเหตุการณ์ที่เป็นทางบวกหรือเหตุการณ์ที่ดีอย่างเช่นเนี่ยใครที่ด่าเราเนี่ยนะเราจะเราจะรู้สึกเจ็บปวดแล้วเราจะจาฝังใจได้นานได้แม่นกว่าคนที่ชมเรานะใครชมเราเราก็ดีใจนะ แต่เราจะจำไม่ได้นานเท่ากับคนที่ด่าว่าเราหรือว่าคนที่เขาโกงเราไปยืมเงินเราแล้วไม่คืนเนี่ยรเราจะจำได้แม่นกว่านานกว่าคนที่เขาเอื้อเฟื้อให้เงินเราเนี่ยเรื่องรายนี่เราจะเราจะจำได้แม่นนะเพราะพวาส่วนหนึ่งเป็นมันเป็นงานของสมองของเรานะ ที่วิพาพัฒนามาเพื่อที่ได้จดจําเรื่องพวกนี้เอาไว้เพราะสมัยก่อนเนี่ยการจดจําเรื่องพวกนี้ได้นานเนี่ยได้แม่นเนี่ยหรือฝังใจเนี่ยมันมันมีผลต่อความอยู่รอดคล้ายๆว่าเอาผิดเป็นครูเคยพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วเคยเผลอมาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งถูกสัตว์ร้ายมากัดมีบาดแผล มันจะจำไว้เลยเพื่อว่าต่อไปจะได้ไม่พลาดอีกไม่เผลออีกอันนี้ก็เป็นงานของสมองของเรานะที่มันช่วยให้บันพบบุตของเรานี่อยู่รอดและพอมาต ก, ตกท่อมาถึงเรามันก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่แต่ว่ามันอาจจะทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนเรามันก็มี ต้องเจอเหตุที่เหตุการณ์ที่เป็นลบนะอยู่เนื่งเนืองเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เป็นบวกแต่ว่าสมองเรานี่มันจะให้น้ำหนักหรือว่าจะใส่ใจเนะี่ยกับเหตุการณ์ทำนองนี้มากทำนองที่เป็นลบมากนั่นก็หมายความว่าแม้เวลาผ่านไปหลายปีนะเวลาหวนคิดถึงอดีตมันก็อดคิดไม่ได้ถึงเรื่องราวร้าย คนที่กานแกล้งเราคนที่พูดไม่ดีกับเราและรวมไปถึงความพัดภาคสูญเสียเมื่อจะสูญเสียทรัพย์หรือว่าสูญเสียคนรักก็ตามในการเหล่านี้ที่หลายยาก็ไม่ใช่ เ, เรื่องความอยู่รอดไม่ใช่เรื่องความเป็นความตายนะแต่ว่ามันก็ฝังใจผู้คนได้เพราะสมองของเราเป็นอย่างนี้ เวลาคนเราเนี่ยย้อนหรือมองอดีตเนี่ยมันก็จะเจอแต่ไม่เจอแต่เรื่องที่เป็นลบๆบไร้ล้าอยู่และยิ่งจมอยู่อดีตมาเท่าไหร่ก็ฝังอยู่กับเรื่องที่เลวร้ายมากก็ทำให้ถูกไอ้สิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเนีเราก็ระแวดระวังหรือระแวงภัยถนะในการจับผิดอยู่แล้วพอมองไปอดีต มันก็เจอเรื่องลบๆเข้าไปอีกนะหลายคนมักจะพูดว่าเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องความทุกข์นี่คิดได้นึกได้เร็วนึกได้ไวแต่พอจะนึกถึงความสุขนี่มันนึกไม่ให้ยออกนะอันนี้ธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นอ่เป็นเพราะลักษณะพิเศษของสมองเราเนี่ยที่มันวิวัฒนาการมาแบบนั้น ซึ่งครั้งหนึ่งเนะี่ยมันเคยจาเป็นต่อความอยู่รอดแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่มันกลับทําให้เกิดโทษคือเกิดความทุกข์ฝังใจก็เรื่องราวในอ ด, ดีตทั้งที่ในอดีตก็มีเรื่องดีๆเยอะแต่ว่านึกไม่ค่อยออกหรือจําไม่ค่อยได้พ่อแม่ ดีกับเรายัางไงโอนมากมายตลอดชีวิตหรือตั้งแต่เล็กจนโตนี่มีเยอะแต่ว่าเราจะจดจําสิ่งไม่ดีของพ่อหรือแม่ที่กระทําต่อเราแม่จะมีแค่สองสาครั้งการกระทําของเพื่อนก็เหมือนกันนะที่เขาดีกับเราก็มีเยอะแต่เราจําไม่ค่อยได้แม่นเท่ากับการกระทําหรือคําพูดที่ไม่ดีของเขา ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจเกิดจากความพฤกขนองหยอกล้อแต่ไปล้อเอาปมของเราเอาสิ่งที่เรารู้สึกด้อย ส, สิ่งที่เรารู้สึกอับอายนี่เอามาเอามาล้อเล่นเขาหัวล้อเขาสนุกแต่เราแค้นเราเจ็บปวดก็จำไอ้แม่นแล้วไม่ใช่แค่อดีตอเดียวนะอนาคตก็ออกมาทำนองนี้ด้วยนะคนเราก็มีความสามารถในการที่จะ มองคาดการถึงอนาคตได้ซึ่งมันก็จําเป็นนะเพราะถ้าเราคาดการในการคาดการของเราเนี่ยมันก็มีผลทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นาการที่เราจะอยู่รอดได้เนี่ยการนึกภาพอนาคตไปในทางที่เป็นลบเอาไว้ก่อนเนี่ย มันก็มีส่วนช่วยทำให้เราเกิดความตื่นตัวเช่นจะเข้าไปในปา่าก็ลึกเอาไว้ก่อนนะว่าอาจจะเกิดสัตว์ร้ายมีสัตว์ร้ายมากมายซุ่มอยู่มันก็ทำให้เราระแวดระวังไม่ประมาทแต่ว่าพอทำไปทำไปนี่มันจะกลายเป็นนิสัยขึ้นมา นิสัยที่ชอบปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายเกี่ยวกับอนาคตนะซึ่งถ้ามันช่วยทำให้เราระวังอันนี้มันก็เป็นผลดีนะแต่บางทีมันถ้าไม่มันปรุงแต่งมากจนเกิดความวิตกกังวลนะเกิดความระแวงขึ้นมากลายเป็นวิตกกังวลเลยแล้วพอวิตกกังวลแล้วมันก็ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่ามันเอาแต่ทุกข์เอาแต่อ่ เรียกว่าหมดอะไรตายอยากไปเลยก็มีงเดี๋ยวนี้คนทุกวันนี้เนี่ยมีความเครียดความทุกข์มากเกี่ยกับเรื่องเพราะการปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยนึกถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะในวันข้างหน้านึกถึงสภาพเศรษฐกิจที่มันจะย่ำแย่หรือว่านึกถึง ธุรกิจของตัวเองนะที่มันจะตกต่ำบางทีไปหาหมอตัวสุขภาพก็นึกไปแล้วนะว่าสงสัยจะเป็นโรคร้ายนะมีเนื้อร้ายเนะวลามองถึงอนาคตของลูกก็เห็นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะลูกจะไปเรียนต่อกุ่งเทพ หรือเรียนต่อต่างประเทศก็นึกภาพจินตนาการเลยนะลูกจะอาจจะคบเพื่อนไม่ดีติดยาสารพัดลูกไปสอบเข้าเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือมหาวิทยาลัยก็นึกไปแล้วนะว่าขาอาจะสอบไม่ได้พอคิดแบบนี้ข้านี่โอ้มันวิตกกังวลเลยนะ เครียดขึ้นมาเลยบางทีนอนไม่หลับแค่บางเรื่องก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายนะเช่จนจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจะไปพักโรงแรมก็วิตกไปแล้วนะไว้จะมีที่พักไหมโรงแรมจะเต็มไหมนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะแต่ว่าคนเราเดี๋ยวนี้เนี่ยกังวลไปได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่ไม่ใช่สำคัญเพียงแค่จะไปเที่ยวนี่ก็กังวลนอนกังวล น, น, ว น, นี่ซึ่งล้วนแต่เป็นการวาดภาพเกี่ยวกับอนาคตไปในทางลบเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นน ะ, ะเกิดความเครียดเกิดความกลุ่มเกิดความวิตกกังวลสารพัดเลยนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวเช่นนี้เนี่ยนะเรารู้ว่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของใจเราหรือ เป็นเพราะสมองของเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาหรือถูกฝึกมาให้คิดไปในทางลบเอาไว้ก่อนหรือระแวงเอาไว้ก่อนเนี่ยเราก็อย่าไปตื่นตูมหรือว่าตีโพยตีภายไปก่อนมากหรือคล้อยตามมันมากก็รู้จักทักท้วงมันบ้าง สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเตือนเราก็คือว่าเออสิ่งนี้จะช่วยใช้ในการเตือนใจของเราคือว่าเออมันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันมากถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยแก้เอาตอนนั้นแต่จะเตรียมไว้ไว้บ้างก็ได้ แต่ไม่ใช่เอาแต่กังวลจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีก็อาจจะบอกตัวเองว่าออถึงเวลามันเกิดขึ้นถึงเวลาปัญหามันเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เร็วไล่อย่างที่เรานึกก็ได้ถ้าเราพิจารณาดูในเหตุการณ์ในอดีตของเราประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันก็มีมากมายในะที่เราปรุงแต่งไปในทางลบนะ จินตนาการไปทางร้ายแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นมันไม่ไเป็นไปนอย่างที่เรานึกมันไม่ไเป็นมันไม่ไเลวร้ายอย่างที่เราคิดเหตุการณ์แบบนี้นะเกิดขึ้นมาบ่อยครั้งนะแต่เราไม่ค่อยจดจําเท่าไหร่เราจะมักจะจดจําแต่หเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายซึ่งทําให้เรากลายเป็นคนที่ขี้ระแวงหรือขี้กังวล แต่ถ้าเราเตือนใจตัวเราเอางอย่างนี้อยู่เสมอนะว่าเอออาจจะไม่เล็วแล้วอย่างที่นึกก็ได้เตรียมไว้บ้างก็ดีนะแต่จะไปกังวลกับมันมากระวังไว้ก็ดีแต่อย่าถึงกับระแวงนะเราก็ต้องรู้จักนะรู้จักมีสตินะรู้ทันความคิดนะเวลาใจมันไหลไปอนาคตไปปรุงแต่งเนี่ยให้รู้ทันมันเราจะทักท้วงไม่ได้นะถ้าเราไม่รู้ทัน แล้เราจะเชื่อมันทันทีถ้าเราขาดสติสติมันทำให้เราเห็นไม่เข้าไปเป็นมันทำให้เรารู้จักมองโดยที่ไม่ไปยึดถ้าจะไม่มีสตินี่มันก็หลงเชื่อความคิดนะเพราะมันไม่เห็นความคิดมันไม่รู้ทันความคิดได้วิธีการการที่เราชอบมองอนาคตหรือไปจดจ่ออยู่อนาคตเนี่ยมันก็ทำให้เรามีนิสัยอย่างหนึ่งนะคือชอบมองข้ามชอ็อต ชอบมองข้ามชดทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่สังเกตไหมเวลาทําอะไรเนี่ยหลายคนนะทำอย่างหนึ่งใจก็ไปนึกถึงอีกอย่างหนึ่งละที่กํลาลังจะต้องทําในในช่วงเวลาถัดไปกํลาลังถูฟันอยู่ก็นึกถึงการทํารัวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวทูฟันเสร็จต้องไปทํารัวแต่ยังไม่ทูฟันเสร็จก็คิดถึงเรื่องการทํารัวแล้ว พอทาครัวหลังที่ทําครัวนี่ก็นึกถึงงานที่ต้องไปเสนอนะให้กับหัวหน้าในตอนเช้าหรือขณะที่กินข้าวอยู่เนี่ยนะก็นึกแล้วนะว่าเดี๋ยวจะต้องไปตอบตอบอีเมลหรือว่าตอบเพื่อนทางโซเชียลมีเดียใจมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไมไ่อยู่กับสิ่งที่ทำนะแต่มันอยู่กับสิ่งที่จะต้องทำ ข้างหน้าหรือทำถัดไปเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยตอนที่ขับรถใจก็ไม่อยู่การขับรถนะแต่ว่านึกถึงประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าประชุมอยู่นะก็แทนที่อยู่การประชุมก็ไปนึกถึงงานที่ต้องทำตอนบ่ายพอทำงานตอนบ่ายก็นึกถึงเรื่องที่นัดหมายเพื่อนเอาไว้ตอนค่า มันนึกถึงถึงจะสิ่งที่จะต้องทำหรือสิ่งที่ อ, อ, อยากจะทำตัดไปตลอดเวลาเลยไม่มีหยุดและสุดท้ายเกิด อ, อะไรขึ้นมาเกิดความกังวลแล้วก็ทาให้ต้องรีบทาเช่นกินข้าวเนี่ยนะหลายคนนี่เลยกินข้าวเพราะอะไรเพราะว่านึกถึงงานที่จะต้องทำไม่ใช่งานเดียวมีต้องหลายงานและช่วงก็เลยย่ำแย่ ใจมันเป็นชีวิที่เร่งรีบนะเพราะมองข้ามจอดตลอดเวลารวมทั้งเวลาทําอะไรเนี่ยนะนอกแานที่ใจจะอยู่กับสิ่งนั้นก็มานึกถึงเป้าหมายนะที่ต้องการบรรลุยอดที่ต้องการทะลุเป้าพอกินแล้วก็เครียดนะเพราะว่าออีกนานกว่าจะได้อีกนานกว่าจะเสร็จหรือว่าทําเสร็จแล้วนี่เขาจะมองเราอย่างไรเจ้านายก็จะว่าอย่างไรก็จะชมเราไหมนะ แม้แต่เดินทางไปเที่ยวเนี่ยนะขณที่นั่งรถเนี่ยทนใจจะอยู่กับปัจจุบันหรือมองชื่นชมวิวทิวทัศนะ์รอบๆกลับไปึกถึงเป้าหมายนะนึกถึงเกาะนึกถึงทะเลนะแล้วก็เกิดวิตกขึ้นมาว่าเนี่ยเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึ ง, ถงเกิดความเครียดขึ้นมาทันทีเพราะใจมันไปอยู่ที่เป้าหมายแนละ้ว พอใจอยู่ที่เป้าหมายมันเครียดขึ้นมาเลยนะแม้เป้าหมายนี่จะเป็นที่ที่เราจะไปเที่ยวหรือเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวก็ตามเมื่อเรานี่คิดข้ามช็อตตลอดเวลาและพอคิดข้ามช็อตมันทําให้เราเครียดได้ง่ายแต่ถ้าเรารู้จักนะอยู่กับปัจจุบันนะสร้างนิสัยใหม่นะคือว่านิสัยที่อยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับสิ่งที่ทําเวลากินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าวเรื่องงานเรื่องการนี่เอาไว้ก่อน จะทำอะไรข้างหน้านี้เอาไว้ทีหลังฝึกเอาไว้นะใหม่ๆนี่มันจะยากเนี่ยเพราะว่ามันจะอนิสัยความเคยชินที่สะสมมารวมทั้งสมองของเราที่มันชอบให้เราเนี่ยชวนให้เราเนี่ยวิตกกังวลกับอนาคตเนี่ยมันจะคอยรุมเราตอนให่เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันไม่ได้และพอเราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ใจก็จะทุกข์มากเลยยิ่งฝังใจกับเรื่องราวในอดีต ปล่อยวางไม่ได้เนี่ยก็ถูกลุ่มเล่าทั้งเรื่องในอดีตแล้วก็เรื่องในอนาคตแล้วก็ภาพลบที่เห็นในปัจจุบันด้วยแต่ถ้าระวังใจเป็นนะอยู่กับปัจจุบันทำอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอาบน้ำตูฟันกินข้าวอาจุะดูเหมือนเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าเราฝึกให้ดูกับปัจจุบันอยู่กับสิ่งเรานั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่มีนิสัยคิดข้าชอ็อตนะ แล้วทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นอิสระกับเป็นอิสระกับอนาคตได้เป็นอิสระจากอนาคตได้คือไม่ได้ถูกอนาคตมาบงการซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่อนาคตหรอกนะแต่มันคือภาพปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตาที่มักจะเปลี่ยนไปในทางลบทางร้ายเพราะาดิสัยความเคยชินของเรานะความทุกข์ของเรามันจะบรรเทาเบาบางลงนะความเครียดความวิตกันจะลดน้อยลงนะครัว่าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบัน ได้มากขึ้นและถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เป็นนะถึงเวลาเราจะทำอะไรเราจะวางแผนนะไรมันก็วางแผนได้ดีทําให้เราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตได้ดีขึ้นรวมทั้งเวลาที่ถึงอดีตเนี่ยแทนที่จะเอาแต่จมอยู่ความทุกข์เรากลับมีส ต, ติแล้วก็มองมันหาบทเรียนจากมันก็ได้คุณได้ประโยชน์นะจากสิ่งนั้นชาญวิบูลท์ธนินทร์นคะรับ